ตกเหวเนี่ยเหวคืออะไรก็เหวคือชาติ น, นะก็เกิดเกิดในปฏินะชาติที่ไหนบ้างอะ่ะถ้าเกิดนะ่ะเกิดที่ไหนเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเพราะถ้าผู้ตกอยู่ในความมืดด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะก็จะพาให้ก่อกรรมทําชั่วแล้วก็ตกเหวไปในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในความมืดตลอดเลยนะก็มืดแบบเร่าๆนี่แหละบอตาใส่เนี่แหลนะนี ตามองเห็นสีแต่ไม่เห็นอริยสัจคิดดูไม่เห็นอริยสัจจะว่าตาดีได้ยังไงก็ตาบอดดีนี้แหละมันเห็นแต่ถนนน่ะมันเห็นแต่ถนนทางเท้าอ่ะแต่ไม่เห็นอันนี้ถนนไปนรกนะไม่เห็นนี่ถนนไปดรเรชานก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปเปรตไปอสุรกายก็มองไม่เห็นถนนเหล่ารนอีกหรือว่านี่ถนนไปเทวดาก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปพรหมโลกไปอรูปประพรหมก็มองไม่เห็นนี่นะถนนคืออริยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ วิชาตันหาเนี่ยมอบทำให้มองไม่เห็นหรอกมันมึดเน่นะเพราะฉะนั้นก็รู้แต่ทางแข้งทางเท้าอ่ะขดเดียวกันในะทางแท่งทางเท้านะัทโทสะโลภะเกิดนะใจลอยเนี่ยขับรถอย่างหลงทางใช่ไหมขนาดทางในโลกยังหลงเลยนะจะกล่าวไปใหญ่ทางทําเล่ากั น, นคุณชูมมีไหมห ล, ล, ลงทิศเลยนะ <laughs> น ม, มันพระองค์ก็แสดงว่า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 โทสะโมหะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพานไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยมรักไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยผลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปเพื่อทุกนั่นแหละอันทุกในทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะเป็นผลของราคะโทสะและโมหะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เป็นประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นประโยชน์อะไรซากอย่างเดียวเลยนะถ้าบาปอาคุศลเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้ว มันเข็นมันฆ่ามันทําให้เราเดือดร้อนกังวนกวายอะ่ะถ้าราค่าเกิดขึ้นเนี่ยนอนหลับไหมไม่หลับโทสะเกิดขึ้นก็นอนไม่หลับเนี่ยนะเครียดเลยนะต้องยาช่วยนยั่นแหละถ้าไม่กินยาก็นอนไม่หลับเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าติดยาไปเลยคนนะี้เพราะนั้นไอ้บาปอาคุศลเหล่าเนี้มันทําให้เดือดร้อนนะนะเดือดร้อนร้อนกังวนกวายอะ่ะมันก็จึงเกิดเพื่อทุกข์จริง ๆ, ๆเนี่ยนะแม้กระทั่งเราเวลาเราเห็นเดราชาณ น, นะเดราชาณเนี่ยเป็นผลของอาคุสน ล, ละมูลเป็นปัจจัยนําเกิดนะ เป็นอุปนิสัยนําเกิดนี่นะราคะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นเดรัจฉานโทสะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเป็นเดรัจฉานโมหะนั่นแหละเป็นเหตุให้เดรัจฉานั้นถ้าเห็นหมูสัตว์เดรัจฉานเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นยุงเห็นเหลือบน้อมพิจารณาเหตุไปได้เลยว่าพวกนั้นมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาถ้าเราทั้งหลายยังประกอบด้วยราคะก็จะเดินรอยตามพวกนั้นนั่นแหละ แล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลพาโทสาโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นอ่านะปลวกเนี่ยเวลามันขึ้นเสาขึ้นบ้านเนี่ยเป็นประโยชน์แก่บ้านไห ม, ไมเป็นเนี่ยนะสนิมเป็นไงอ๋อเอาไมจะไปเพาะบ้านจางนนังไกสอนมีนะอ๋อจะต้องปลูกใหม่นะประโยชน์คือจะได้สร้างใหม่ไหมแน่ใจนะว่าประโยชน์อ่ะ นันนะว่าเป็นอันนั่นนะก็ดีเหมือนกันนั่นนะจะได้มีหนี้เพิ่มสักทีหนะึ่งอยู่บ้านเก่าก็ไม่มีหนี้มีสินนะั่นพูดอย่างนี้เนี่ยอย่านี้แหลนะนะก็ถามว่าสนิมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในเหล็กเนี่ยนะเป็นประโยชน์กับเหล็กไหมไม่เป็นรอยร้าวของแก้วน้ําขวดน้ําเป็นต้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแก้วน้ําขวดน้ำํำไหมไม่เป็นนั่นนะสร้างความเสียหายหมดแล้นะนะมีประโยชน์ต่อเจ้าของไหม ไม่เอคนเจ้าของเลยพูดถึงเจ้าของที่เป็นเจ้าของเลยเนยเนี่ยนยเอ้าวถ้าเป็นโรคเอดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองไหมเอาไหมล่ะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นในภายในเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมอือเอาเลยงั้นเก่งมากเก่งมากมีหน้าจึงเกิดบ่อยๆนะไม่แปลกใจแล้ว ไม่แปลกใจแล้วคนนี้ว่าทําไมจึงเฝ้ากันอยู่นานเลิศเกินเนี่ยนะเพราะพวกนี้มันเป็นเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะนะเหมือนสนิมเนี่ยมันเกิดในเหล็กมันก็เพื่อความชิบหายแห่งเหล็กนั่นแหละนะพวกออะไรนะที่ทําให้ผลไม้เน่าอ่ะนะเรียกว่าอะไรนะสดางกายเนี่ยมันจะไม่เน่าเลยถ้าไม่มีแบคทีรียบางอย่างมากินใช่ไหม พวกผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้ทั้งหลายมันจะไม่เน่าซากศพจะไม่เน่านะเพามีแบคทีรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทําลายใช่ไหมดังนั้นมันเกิดขึ้นก็เพื่อทําลายร่างกายทําลายผลไม้ทําลายอะไรให้มันเน่าให้มันเสียหายไปฉันใดแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในร่างกายนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายราคาโทสะโมหะเหมือนกันมันเกิดขึ้นในภายในจิตไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อจิตที่เป็นกุศลแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันทําลายกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดอ่ะกุศลที่เกิดแล้วมันไม่ให้เกิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพระสูตรอะถึงคุณมุนชูจะจําได้สักสิบสูตรนะถ้าโทสะเกิดนะมันจำไม่ได้หรอกสาธยายไม่ออกหรอกนะสาธยายแล้วหลุดสาทยายแล้วหลุดอ่ะนะได้สูตรใหม่ที่จะท่องก็ท่องไม่ได้อีด้วยนะะโอ้มันสาพาเสียหายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นศัตรูที่ปกปิดอ่ะนะไม่ค่อยเห็นหรอกเนะี่ยมันสะใจมากอ่ะนะ อนโงยังตัดอธิบายว่าราคะโทสะโมหะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดแต่อัตภาพนี้ความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามเนี่ยทำให้ขนลุกอะนะบาปวิตกในใจเนี่ยเกิดขึ้นในอัตภาพผูกจิตเหมือนไว้พวกเด็กผูกกาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้นนะเหมือนพวกเด็กเนี่ยผูกผูกกาไว้ที่ข้อเท้านะ มันพวกนี้มันผูกให้สัตว์เนี่ยวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะวนที่จะมีขันธน์อายตนะธาตุดูแลปกปกัปกรักษาเดือดร้อนเร่าร้อนอน่ะ น, นะเพราะมันก็ทําให้ยินดีนะเมื่อเช้าก็เห็นในตัวจักจั่นใช่ไหมที่มันลอกคราบออกมาเนะีนะ่ยราคานะนั่นแหละเป็นเหตุโทสะโมหนะนั่นแหละเป็นเหตุความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามนั่นแหละเป็นเหตุทําไมงั้นไม่เกิดอย่างนั้นลอกเนี่ยนะนะนะนะดีไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไมเอาไม่ว่าดีจะ ไ, ได้เป็นมันลูกเป็นล้านเป็นนั้น ที่อย่างงี้ไม่เอาที่อย่างนี้บอกไม่ดีถ้าดีแล้วก็แหมจะไม่กรวดน้ําให้เลยสักหยดเดียวอ่ะอันพวกนี้มันอันตรายจริงๆอ่ะนะเป็นอันตรายที่นะนําเกิดในอาบายทุกขติวิณิบาตนรกอ่ะนะมันก็ดีอย่างที่ว่ามันไม่นานอืมมันอยู่ในนั้นไม่นานใช่ไหมแล้วจะไปไหนต่อถ้าเป็นจักจันรเนี่ยเ็วันเนี่ยนะสมมติว่าเป็นจะครึ่งเดือนอ่ะถามจะไปไหนต่อใช่ เย่างเข่าและเนี่ยนะเข่าเข่าแล้วเนี่ยนะก็มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อมพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นคุกไหนที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากันรกกับเดรชานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่นานอ่ะแต่มันเป็นบ่อยเอาไหมล่ะเนี่ยนะไม่นานอ่ะแต่บ่อยนะจากอบายสู่อบายจากเดรชานสู่เดรชานจากที่มืดสู่ที่มืดเนี่ยนะเรอยู่นั้นอ่ะอยู่ไม่นานอ่ะแต่ว่ามันไปเรื่อยเนี่ยนะ ใช่อยู่ไม่นานเป็นมดก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาเป็นปลวกก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาหน่ยนะก็ะนั่นแหละแต่ว่าพวกนี้มันเป็นอันตรายจริงๆนะสำหรับศัพว์ทั้งหลายที่เกิดมาในวัตฏะเนี่ยมันทุกข์มันร้อนมันเดือดร้อนมันเร่าร้อนกวนกวายนะแต่ว่าไอ้เดือดร้อนเล่าร้อนเหล่านั้นก็เกิดจากศัตรูภายในที่ปกปิดเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยอย่างทางโลกเนี่ยวิชาเขาเนี่ยคือทํายังไงให้คนมีตัณหาที่สุด น, น, นะคือวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะนะเนี่ย น, นะเรียนนิเทศาศาสตร์ก็เพื่อให้อะไรก็เพื่อทําให้คนมีตันหานั่นแหละทำเพื่อให้ทํายังไงจะเขียนอันนี้ให้คนชอบที่สุดเห็นแล้วติดใจสีไหนคนชอบที่สุดเขียนแบบเขียนคอลัมน์สร้างแบบออกแบบยังไงก็เพื่อสนองตันหาทั้งนั้นไนงะอันนันนะ้วิชาทางโลกส่งเสริมตันหาซะส่วนใหญ่เนี่ย น, นะเพื่อนพวกเนี้ยแต่ถามว่ามีใครรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตราย ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายแต่นี่คือคุณที่ศึกษาพระธรรมคาสอนทําให้รู้บาปรู้อกุศลเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายเป็นฆ่าศึกภายในเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่าเป็นอมิตรเนี่ยนะทีนี้เมื่อมีอันตรายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอะไรติดตามไปถ้าอันตรายคือราคาโทสะโมหะเนี่ยนะอะไรติดตามมาก็บอกทุกย่อมติดตามนรชนเหล่านั้นไปทุกไหน ก็คือทุกในเขาบอกว่าทุกย่อมติดตามชราติดตามพญาทีม่มรณโะโศกปริเทวทุกขโทโมนัสและอุปายาตก็ติดตามถามว่าทุกที่ไหนบัางถ้าสมมติว่าชาติเนี่ยถ้าว่าความเกิดนี่เกิดที่ไหนก็เกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรฉานเนี่ยนะเขาทำให้เกิดเนี่ยเกิดทําที่ต่างๆเนี่ยเกิดในนรกนะนะเขว่าไป128ยขุมเนี่ยนะบริวารในต่างหาก เกิดเป็นเดรัชาเนีกี่พันดิอันนัสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนมากกว่ากันสัตว์น้ําและสัตว์น้ํามีกี่พันหรอเนี่ยปลามีกี่ประเภทมีกี่ชนิดปลาน้ําเค็มกับปลาน้ําจืดไหนจะมากกว่ากันว่าไปนันน่ะนี่ทำมาเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์บกอยู่ใต้ดินกับบนดินอันไหนมากกว่ากันใต้ดินมากกับบนดินอันนพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินมากกว่าบนดินเนี่ยนะพวกปลวกพวกมดพวกไส้เดือนเนี่ยนะ ที่อยู่ใต้ดินมากกว่าบนดินทีนี้พวกบนดินเนี่ยเป็นเดรัชานกับเป็นมนุษย์ไหนมากกว่ากันอันนั้นคนโง่กับคนฉลาดไหนมากกว่ากันโง่มากกว่ากันใช่ไหมอ๋อเลยอ๋อก็เอาพวกนั้นมาทํางานรับไปไว้ที่บ้านสักสามคนไหมล่ะอนนันแร่แรรับไปเป็นคนที่บ้านสักสามคนเถอะฉลาดฉลาดนั่นแหละดีดิ่ดิ่งดีนัก นั้นีนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะแล้วถามว่าคนพอมีกินกับไม่พอมีกินอนไหนมากกว่ากันไม่พอมีกินแล้วก็ถามง่ายๆคนจนกับคนรวยไหนมากกนนะว่ากันอนะนะชาวบ้านนอกกับในเมืองไหนมากกว่ากันนี่ก็ไล่ไปอนันะอยก็คนป่วยกับคนไม่ป่วยไหนมากกว่ากันอย่างนี้นแน่ใจเลย <laughs> คือไอ้ป่วยนี่มันแบ่งเป็นไม่ป่วยแบบบอกกับไม่บอกไงเขาเขามีคนเล่านะก็บอกว่าคนที่ร่าเริงแจ่มใสเนี่ยบางทีโรคมากกว่าคนที่เรียกว่าคนป่วยอีกอ่าเขาวิจัยอย่างนั้นเลยคือพวกนี้มีความอดทนสูงไงไอ้คนบางคนที่แสดงตัวเป็นคนไข่ยอยู่ตลอดเวลาก็คือเรียกร้องความสนใจนะจริงจริงบางคนเขาร่าเริงมีความสุขนะแต่ตรวจแล้วคนเนี่ยจะโรคกว่าคนคนที่ไม่ป่วย ก, ก็มีเนี่ยนะเอาวิวิจัยไว้อย่างนั้นนะเนี มันเวลาเกิดก็ในนรกเปรตรสุรกายสาัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเปรตก็โหไม่รู้กี่พันต่อกี่พันเนี่ยนะอดอยากหิ้วโหเป็นพุทธันดอนหมดแหลนะแม่ก็ทุกเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยทุกเกิดยังไงบ้างอ่ะทุกอย่างอยู่ในคันแล้วนะเกิดอยู่ในคนะันนะ่ะถามว่าเกิดในคันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นสัตว์ในครันนะ่ะสัตว์ตั้งหลายประเภทที่เกิดในครันทีนี้ถ้ามาเกิดในคันมนุษย์นะ่ะแม่เป็นเอสด้วยไงอ่ะ เกิดในคันมนุษยนะ์แม่เป็นเอตแล้วว่าไ ง, งแล้วทีวนี้ถ้าเกิดมาในคันปั๊บเนี่ยนะถูกไอยาสมัยใหม่ต่อต้านหมดห้ามติด เ, นะเกิดมีสิทธิ์อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะแทงแล้วนะวนะอยอากแก้แพ้บางอย่างก็ทำให้ลูกแขนกุดขากุดใช่ไหมพี่การได้นี่พอเกิดในคันเนี่ยอย่างเงี้ยนะถามว่า แม่โดยมากอะอยากให้อยู่ในคันหรืออยากให้คลอดออกมาอยากให้ตายในคันหรืออยากให้คลอดออกมาเนี่ย <c oughs> นะถามว่าก็ที่เขาวิจัยนะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่น้อยเลยอะที่มีความคิดอยากจะทำแท้งในชีวิตเนยะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยในหนึ่งแทบจะทุกคนเลยอะแทบจะนะที่มีแนวความคิดว่าบางช่วงจะไม่พร้อมที่จะมีลูกใช่ไหมพอรู้ว่ามีลูกก็มีแนวความคิดว่าจะทำแท้งอยู่เหมือนกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ง่ายเลยนะที่จะคลอดออกมาอยู่ในครันเนี่ยก็เอ้าละนั่นนะเปอร์เซ็นต์ที่จะแท้งเนี่ยแล้วก็เด็กในคันที่คันวิบัติเนี่ยนะสือหม อ, อามาให้ดูครั้งก่อนเนี่ยขนาดอยู่ในครันนะเขายังผ่าท้องแม่แล้วก็ไปผ่าเด็กในคันอนะ่ะผ่าตัดเด็กในคันอีกครั้งหนึ่งนี่นะขนาดยังไม่คลอดมานะยังถูกผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในคันละนั่นนะนน ผ่าท้องแม่ก่อนแล้วแหวกเอาเด็กมาจากมดลูกแล้วมาผ่าตัดและยัดเข้าไปใหม่เนี่ยถามว่ายัดเข้าไปไหมเอ้แล้วถามว่าตอนคลอดทําะไรก็ผ่าท้องแม่อีกรอบหนึ่งนั่งใช่อหมคิดดูนะไอ้ยางงั้นก็มีนไงแต่ไม่ใช่ไทยนะฝรั่งเห็นไหมพนก็ทุกอยู่ในคันเป็นมูลเหงนกันทุกตั้งอยู่ในคันเป็นมูลนั่นแหละแล้วก็ทุกที่ตั้งอยู่ในคันนี่เป็นยังไงนก็บริหารคันนั่นแหละ ถามว่าคนท้องเป็นยังไงบ้างนะนะ่ดูแลคันเนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละทุกข์ก็อยู่ในคันแล้วก็ทุกข์ขณะที่คลอดจากคันเนี่ยนะทุกข์ที่เกิดจากคันวิบัติเป็นยังไงถ้าคันมันวิบัติขึ้นมาเนี่ยนะก็เอาเดี๋ยวจะคลอดบ้างไม่คลอดบ้างจะคลอดบ้างไม่คลอดบ้างเนี่ยนะ